ขอโมทนากับพวกเราเนะตั้งใจศึกษาพระธรรมครั้งที่แล้วก็พูดในเรื่องของทานในทา น, นกานี่ยคาถาพอพูดถึงในเรื่องของทานที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ได้บำเพ็ญมาถ้ามองมองในชั้นของคำสอนก็จะเห็นว่า ลักษณะของทานเนี่ยนะทา น, นากุศลถ้ามองจากในชั้นของคำสอนของพระพภาคเจ้าแล้วเนี่ ย, ยอัธยาศัยสัมปทาของพระมหาบรุษน้อมไปน้อมไปโอนไปในสัมมาสัมพธิยานโดยส่วนเดียวแะนการประพฤติประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้น ถามว่าด้วยบุคคลที่มีอัจฉรยาใสาในการที่จะน้อมไปในสัมมาสัมโพธิญาณโดยส่วนเดียวเท่านั้นเนี่ยนะพอน้อมไปอย่างนั้นเบ็เสร็จแล้วเนี่ยการประพฤติประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันพระมหาบรุษก็ทำความตั้งใจแน่วแน่เพื่อสัมมาสัมโพธิญาณในสำนักของพระพุทธเจ้าในการก่อนด้วยใจและด้วยวาจาว่าแม้เรา ก็จะเป็นเช่นเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้พึงยังประโยชน์สุขให้สำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายโดยชอบเช่นกันฉะนั้นพระหมหาบุุษจึงมีอัธยาศัยมีอุปนิศัยที่ตั้งมั่นแล้วก็แข็งแรงอย่างนี้จึงเป็นผู้มีเพศที่ทำให้ยิ่งใหญ่แล้วก็พิเศษมีการกระทาที่ยิ่งใหญ่ต่างจากสาวกโพธิสัตว์และต่างจาก ปัจเจกโพธิ่สัตว์ในด้านของอินทรีย์ในด้านของการปฏิบัติและในด้านของความฉลาดถ้าด้านของอินทรีย์ก็ด้านสัตทินทรีย์วิินทรีย์สติินทรีย์สมาทรีย์ปัญญทรีย์เป็นต้นก็ต้องยิ่งใหญ่กว่าสาวกโพธิสัตว์และปัจเจกโพธิ่สัตว์ด้านการปฏิบัติด้านการปฏิบัติ ในการที่จะทำวิสุทธิเจตจะทำศีลสมาธิปัญญาจะทำโพธิปักจียธรรมให้เกิดขึ้นและด้านความฉลาดคนอื่นๆในโลกนี้ปฏิบัติไม่ได้เหมือนอย่างพระหมหาบุรุษปฏิบัติไม่ได้อย่างท่านผู้ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยและถึงพร้อมด้วยอินทรีย์ที่บริสุทธิ์ด้วย มียานนะที่บริสุทธิ์ด้วยพระมหาบรุษเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นนะไม่ใช่เพื่อประโยชน์ตนไม่ใช่เพื่อประโยชน์ตนแต่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นเป็นความจริงที่บอกคนนอกนี้ไม่ได้ปฏิบัติเหมือนอย่างพระมหาบรุษนั้นที่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุข้อโลกเพื่อประโยชน์แก่ชนเป็นอันมาก เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอันหนึ่งพระมหาบุตย่อมนำมาซึ่งความเป็นผู้ฉลาดในประโยชน์สุขนั้นเพราะปฏิพาน์อันเกิดขึ้นตามฐานะและความเป็นผู้ฉลาดในฐานะอาฐานะถ้าบอกว่าฐานะอาฐานะต้องไปดูในพทศพลยานข้อแรก ท่านเรียกว่าฐานาฐานานพยานที่รู้จักฐานะและอัานาของพระผู้มีพระภาคเจ้าถ้าถามว่าฐานะอัานาหรือความเป็นผู้ที่รู้จักอะไรเป็นฐานะอะไรไม่ใช่ฐานะของพระบรมศาสดาเนี่ยเขาเรียกว่าฐานาฐานาญนี่นะที่บอกว่า พระทศพรยายานสิบของพระบรมศาสดาเนี่ยนะทรงประกอบด้วยพระยานสิประการย่อมไม่ทรงสอนสาวกทั้งหลายให้เคลื่อนจากโอวาทหรือไม่สั่งสอนให้คลาดเคลื่อนจากโอวาทสาประการหนึ่งเธอทั้งหลายจงทำสิ่งนี้ 2. เธอทั้งหลายจงกระทำด้ดยอุบายนี้ สมสิ่งนี้เมื่อเธอทั้งหลายกระทำจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขนี้สามประการนี่เนะี่เป็นไปไม่ได้ที่สาวกของพระศาสดาทรงสั่งสอนอยู่อย่างนี้ทรงพร่ำสอนอยู่อย่างนี้นั้นนะ่ะกระทำอยู่อย่างนั้นปฏิบัติอยู่อย่างนั้นจับบรรลุถึงภูมิคือรลกุตระภูมิไม่ได้เป็นไปไม่ได้ แล้วก็เป็นไปไม่ได้ที่สาวกของพระศาสดาที่สั่งสอนอยู่อย่างนั้นทรงพร่ำสอนอยู่อย่างนั้นยังไม่ได้บําเพ็ญศีลให้บริบูรณ์จะบรรลุถึงภูมินั้นถามว่าเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าคนทูศีลจะบรรลุอริยมรรคจะบรรลุโสดาปติมารสก่าทาคามิมารอนาคามร์และอาตรารมร์เป็นไปไม่ได้ แต่เป็นไปได้นะสาวกนั้นซึ่งพระศาสดาพร่ำสอนอยู่อย่างนั้นพร่ำสอนอยู่อย่างนั้นบำเพ็ญศีลหลักฐานให้บริบูรณ์จะบรรลุถึงภูมิได้ <c oughs> ถ้าสาวกไม่ได้บำเพ็ญศีลให้บริบูรณ์จกบรรลุภูมิคือมีโลกุตละภูมิมีโสดาปริมักเป็นต้นนี่เป็นไปไม่ได้ถ้าทุศีนนะแต่ถ้าทําศีลให้บริบูรณ์นะทําปาฏิโมกขังวรศีลให้บริบูรณ์ทํา อินเดียสังวรศีลในบริบูรณ์ทำอาชีวะปริสวดทิศีลในบริบูรณ์ทำปัจจัยสันนิษฐานศีลในบริบูรณ์จะบรรลุโลกุตรภูมิอะไนี้เป็นไปได้แล้วก็เป็นไปไม่ได้ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่ตัดสรุปธรรมเหล่านี้พุทธเจ้าตัดสรุปโรคโลกระสบูทัยโลคกันนิโรธโลกัลกกนททกกนิโรธถ้าขามีปฏิบัติพุทธเจ้าตัดสรุปไหมตัดสรุป เราะนั้นเจ้าตรัสรู้พระเจ้าไม่ใช่อย่างที่เราเข้าใจหรอกไม่ไม่ใช่อย่างที่เราเข้าใจหรอกพระเจ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆทีนี้เป็นไปไม่ได้ที่พระองค์ซึ่งเป็นผู้สิ้นอาสวะทั้งปวงอาสวะเหล่านี้จะยังไม่สิ้นไปกา마สวะภาวาสวะทิฏฐาสวะอวิชาสวะนี่เนะเป็นไปไม่ได้ที่พระองค์แสดงธรรมเพื่อประโยชน์อย่างใดประโยชน์อย่างนั้นจะไม่สําเร็จ เื่อเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์แก่ผู้ปฏิบัติชอบได้จริงแลวก็เป็นไปไม่ได้ที่สาวกของพระ อ, องค์ซึ่งปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมเริ่มตั้งแต่สารณาคมเป็นไปตามลาดับเลยนะปฏิบัติชอบปฏิบัติตามอยู่อย่างนั้นจะไม่เข้าจะไม่ทาให้แจ้งซึ่งคุณวิเศษอันโอลาอีกโดยลำดับฉะนั้นถ้าเรามั่นใจนะเดินตามสารณาคมเนี่ยนะเป็นไปได้ที่เราจะเข้าถึง โลกุตรธรรมเป็นไปไม่ได้ที่อันตรายเกยกกระทำเนะีอันพุทเจ้าตรัสไว้จะไม่อากขอให้เกิดทำอันตรายแก่ผู้ส่องเสพได้จริงถ้าพุทธเจ้าอ่ะอย่างนี้นะีอย่าไปดําเนินแบบนี้นะมันอันตรายเนี่ยนะถ้ากระทำจนะพู้นั้นอันตรายเป็นไปไม่ได้ที่ทําซึ่งไม่นําสัตว์ออกจากวัฏทุกข์จะเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้กระทําตามนั้นแต่เป็นไปได้ทำที่เป็น เครื่องนําออกจากทุกคือสติปัฏฐานเป็นต้นเหล่านี้จะนําสัตว์ออกจากความเส้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้ทําตามได้ยริงแล้วก็เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ที่สาวกของพระองค์พูดถึงผู้ยังมีอุปาทิเหลืออยู่จะบรรลุ ถ, ถึงนิพพานธาตุอันไม่มีอุปาทิเหลืออยู่ถามถ้าคนยังมีกิเลสแล้วมีขันเหลืออยู่จะบรรลุอนุปาทานปานนีนิพพานไม่ได้แต่ต้อง กิเลสแล้วก็ขันก็ต้องหมดไปด้วยถึงจะได้บรรลุอนุปาธาปริพนิพานเป็นไปไม่ได้ที่พูดถึงพร้อมด้วยทิฐิจะฆ่ามารดาจะตัดมือตัดเท้าเป็นไปได้ไหมว่าพระโสดาบันเป็นต้นจะฆ่าแม่เป็นไปได้ไหมที่จะทบมือทบเท้าแม่ตัดมือตัดเท้าแม่ เป็นไปไม่ได้พระโสดาบันเป็นต้นเนี่ยที่จะฆ่าพ่อทุบมือทุบเท้าพ่อตัดมือตัดเท้าพ่อเป็นไปไม่ได้คนที่เป็นพระโสดาบันเป็นต้นเนี่ยจะมาถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเป็นต้นเหล่านี้เป็นพระโสดาบันเป็นต้นเนี่ยที่จะไปฆ่าพายรหันเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลที่ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิมีพระโสดาบันเป็นต้นที่จะไปทําร้ายพรธเจ้าให้ห่อพระโลหิตเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลที่เป็นพระโสดาบันเป็นต้นที่จะไม่ทําสงให้แตกจาก เป็นไปไม่ได้ถ้าคนที่ถึงพร้อมนี่เป็นไปเป็นไปไม่ได้ที่จะไปทำสงให้แตกจากกาันแต่เป็นไปได้ไ้ยปุรุชนเนี่ยปุรุชนเนี่ยที่จะฆ่า่าพ่อปุรุชนที่จะฆ่าแม่ปุรยชนที่จกฆ่าพาระอรหันต์ปุรุชนที่จะทำให้พระเจ้าหอบพอระโลหิตปุรุชนที่จกไม่ทำสงให้แตกจากกาันและปุรยชนเนี่ย เป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลที่เป็นพระโสดาบันเป็นต้นเนี่ยจะคิดร้ายต่อพระตถาคตเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคิดร้ายต่อพระธรรมคิดร้ายต่อพระสงค์แต่เป็นไปได้ไหมว่าปุรุชนเนี่ยจะต้องผิดพลาดต่อพระเจ้าต่อพระธรรมและพระสงฆ์ฉะนั้นถ้าเห็นปุรุชนกล่าวล่วงเกิน พระพุทมีพระภาคเจ้าให้วางใจเถอะว่าธรรมดาทิฏฐิกินท่านผู้นั้นแล้วความเห็นผิดกินท่านผู้นั้นแล้วเพราะเขาไม่รู้จักพระพุทธเจ้าไม่รู้จักพระธรรมแล้วรู้ไม่ใช่ไม่รู้จักพระสงฆ์ถึงบอกว่านี้แหละทําไมเราจึงต้องขอขมาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมแล้วต้องขอเนะต้องสํานึกผิดโดยความเป็นโทษจริงๆเนอะ ถ้าอย่างนั้นจะเดือดร้อนจะเดือดร้อนเอาไม่อยู่หรอกสมมุตินะเป็นจั ก, กรพรรดิีราชแต่ไปร่วงเกินพระผู้มีพระยาพลาดตูมเรียบร้อยเอางี้นะว่าโอ้ดูพระโพ ธ, ธิสัตว์ไหมดูใน โชติปาละไปดูในโชติปาลมโนบอันนั้นน่ะพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยตอนนั้นคติกาละบอกจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพพระพุทธเจ้านั้นได้บรรลุสัพพัญญตยานแล้วท่านก็บอกหุ้ยสัพพัญญตยานจะมีแต่ที่ไหนวะงั้นแค่เนี้ตกนรกประพฤติผิดอยู่หกปีในที่หลงทางอยู่หกปีเนี่ยคําพูดเนี่ย ค้านค้านสรรพยุตยายนั้นเป็นไปถึงบอกว่านี่ไงเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลที่พึงพร้อมด้วยทิฏฐิใช่หจะพึงนับถือศาสนาอื่นแต่เป็นไปได้นะบุตุชนอย่างเราท่านทั้งหลายเดี๋ยวก็ไปเปลี่ยนบุคคลที่นับถือเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลที่ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิจะจะพึงสแสวงหาทักขินในบุคคลนอกศาสนาแต่เป็นไปได้นะ ปุรยชนจะแสวงหาทักษิเนยแบุคคลนอกพระพุทธศาสนานี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ไปนับถือคนอื่นเดี๋ยวเราก็ไปทำบุญกับศาสนาอื่นไปทั่วแล้วเข้าบสถ์คริสต์บอดอิสลามซิกินดูไปเหอะ <c oughs> เป็นไปไม่ได้ที่บุคคลที่ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิมีพระโสดาบันเป็นต้นจะพึงเชื่อว่าบริสุทธิ์ด้วยมงคลตื่นข่าว เขาพูดนะว่าปุถุชนเนี่ยถ้าเป็นพระโสดาบันเนี่ยยังมีจะมีการเชื่อการเสี่ยงทายเสี่ยงโชคไหมถ้าหากถ้าหากพระโสดาบันไม่มีถ้าบุถุชนล่ะ <c oughs> เอาศึกษาพระธรรมจริงๆอย่างที่จิตเป๋ไหมแล้วเราเคยไปเขยา่าตี้วปุ๊กๆไห ม, ม, มเห็นไหมเนี่ยนี่ปุถุชนเป็นอย่างนี้แหละเห็นไหม นี่แหละจะได้เห็นชัดเป็นอย่างนี้ผู้ช j เป็นอย่างนี้นะเขานะเขากลัวขึ้นมาสิอีกแล้วเฮ้ยไม่เชื่ออย่าลบหลู่ากัน <c oughs> <c oughs> นี่แหละผู้ช j เป็นอย่างนี้เนี่ยความซัดใสจงใจที่ไม่แน่นอนอะไรเลยแต่ถ้าให้พระโสดาบันไปทําท่านทํำไหมไม่ทำไ ม, <c oughs> ไม่ทําเด็ดขาดจะให้พระถือเจอ้าแม่กวนยิมท่านยังไม่ถือเลยเ <c oughs> พราะท่านรู ใช่ไหมอันนี้เราจะได้แยกออกว่าอะไรเป็นอะไรไงถ้าเดี๋ยวแยกไม่ออกแล้วก็จะโอ้ในชีวิตเป็นอย่างเงี้ยเราไม่มั่นคงใดๆหรอก <c oughs> บีบหัวร้องอ <c oughs> ่บีบหัวร้องลองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมบางอย่างดีบางอย่างไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมบางอย่างไปแล้วไปก็หมดแล้ว เรียกกูไม่กลับแล้วตรงนี้ก็คือว่าพระศาสดาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่สตรีจะเป็นพูทธเจ้าเป็นต้นเป็นไปไม่ได้ที่วะฏฏะคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะอุบัติเกิดขึ้นพร้อมกันสองพระ อ, องค์เพราะอะไรอะ่ะาจากวานนันก็มีพระเจ้าจากวานนี้มีพระเจ้าเพราะอะไร เอาแล้วทำไงอ่ะก็ท่านประกาศเขตของท่านไว้แล้วบอกว่านี่นะชาติเขตของตาตาโกดนิพันนะนะเออหนึ่งมืนจักรวาล น, นะถ้าหากอาณาเขตนี่แสนโกดนะวิสัยเขตนี่ก็คื อ, อหาประมาณไม่ได้ถ้ามีเพร่อเจ้าอีกองหนึ่งอะใช่ไม้มไม่ได้ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดจริงๆต้องมีองค์เดียวนั่นแหละก็เรียกอะไรชื่อว่าหนึ่ง อะไรชื่อว่าหนึ่งไปดูในเอกไปดูในไปดูในเอกนิบาตผมก็จะาถามอะไรชื่อว่าหนึ่งคือพระเจ้าสัมมาสัมพุทธโธหนึ่งเดียวไม่มีนอกนั้นไม่ใช่ก็ <c ười> จาไปยิ่งใหญ่ลาวพระเจ้าไม่ได้ <c ười> จะนับถือก็นับถือไปทีเพราะจริงๆเป็นแบบเนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นเป็นหลักอันนี้เป็นถึงบอกไงเป็นไปไม่ได้ที่พระพเจ้าจุบัดเกิดขึ้นสองพระองค์ ในโลกธาตุเดียวนี่นะในโลกธาตุเดียวนี่นะนนะี่แม้เกิดมาในโลกธาตุเนี่ยในจกักรวาลเกิดมาเอามีเจ้าซ้อนกันเดี๋ยวเอายุ่งแล้วใช่ไหมไม่ไดล้ลองรับคุณไม่ไหวแล้วก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันกายยตุจริตวจีตุจริตมโนตุจริตจะพึงมีผลที่น่าปรารถนาน่าไขา่น่ารักน่าชอบใจแต่เป็นไปได้นะ สุจริตที่ทุจริตสามจะพึงให้ผลที่ไม่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจอรือไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจเป็นต้นเป็นไปไม่ได้ที่สุจริตสามจะให้ผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่ารักไม่น่าชอบใจแต่เป็นไปได้สุจริตสามจะพึงให้ผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่ารักน่าชอบใจเนี่ย เขาถึงบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่สมณะ ห, หรือพราหมณ์คนใดคนหนึ่งซึ่งเป็นคนโกหกเป็นคนพูดจาหวังลาบเป็นคนมุ่งหวังให้ลาบเกิดขึ้นกระทาการโกหกพูดจาหวังลาบมุ่งหวังจะให้ลาบเกิดขึ้นเป็นสําคัญไม่ละนิวรหานะี่ยไม่ละนิวรห้าอันเป็นอุปกิเลสแห่งใจเป็นต้นทําให้ปัญญาสามกำลังอยู่ อยู่อย่างไม่กำหนดสติปัฏฐานสี่ไม่ได้เจริญโพชฌงค์จะพึงตัดสรู้เฉพาะซึ่งอนุตต ร, ส, รสัมมาสัมปวิยานก็นบอกไม่ใช่หรอกคนโกหกคนหวังลาบคนมุ่งลาบคนละนิวรห้าไม่ได้คนมี ม, มีอุปกิเลสสหกรวๆรุมล้อมจิตใจอยู่คนมีปัญญาสามบุคคลที่ไม่เจริญสติปัฏฐานไม่เจริญโพชฌงค์เป็นต้นจะตัดสรู้เป็นพระเจ้าเป็นไปไม่ได้หรอกแต่เป็นไปได้นะ ในยะที่ตรงกันข้ามนะีที่สาํานักพราหมณ์คนใดคนหนึ่งที่ยังไม่ปราศจากโทที่ที่ไม่ปราศจากโทสะแต่ละนิวรณนะ์เน่ยอันเป็นอุปกิเลสแห่งใจอันเป็นตัวทําบัญญาให้สามอยู่อย่างการกัมมันตสติปัฏฐานก็ว่าคือเป็นผู้ที่ใหม่ๆเนี่ยนะยังละกิเลสไม่ได้แต่เป็นผู้ที่จะน้อมไปเพื่อละกิเลสเป็นต้นเป็นต้นไปตามลําดับแล้วในที่สุดจริงๆนะีสามารถละโทสะทั้งปวงละนิวรณ์ เป็นพวกการกําหนดอุปกิเลสเป็นต้นได้สามารถที่จะละกิเลสเป็นต้นเหล่านั้นได้ด้วยแล้วก็อยู่อย่างการเจริญสติปัฏฐานสมมติปทานอิทิบาทเป็นต้นเนี่ยจะพึงตัดสู้สัมมาสัมโพธิญาณได้อันนั้นเป็นฐานาฐานญยานของพระพุทธเจ้าข้อแรกก็ไปดูให้ครบทั้งสิบข้อนะแล้วจะได้รู้จักพระพุทธเจ้ามากขึ้นดีไหมฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่ า, านี้เป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายต้องรู้จักพระพุทธเจ้าให้มาก อ่านเยอะๆดีไหมฟังมากๆเปต้องศึกษาตามลําดับเนะี่ยอ่านเยอะๆนี่ลักษณะของพระบารมีของพระบรมศ า, ศาสดาเนี่ยนะทยาธรรมที่เรากล่าวไปแล้วก็คือว่าท่านไม่เบื่อน่ายจากการให้ทานเป็นผู้มีปกติแจกทานเนืองๆที่แจกได้ก็เพราะมีความเข้าใจในทานในกุศลเป็นอย่างดีแล้วเนาะ ท่านให้ทานแม้มากมายก็ยังไม่พอไม่พอใจด้วยการให้ไม่ต้องพูดถึงการให้น้อยนะเมื่อจะยังอุตสาห์หายเกิดขึ้นแก่ผู้อื่นก็ย่อมกล่าวถึงคุณในการให้แสดงทำที่ปฏิสังยุตติการให้เห็นคนละอื่นให้แก่คนละอื่นก็พอใจมีการให้อภัยได้วยไหมให้อภัยในฐานะที่ให้อภัยถ้าลักษณะของศีลนนะ่ะเป็นยังไงท่านก็มีอธัธยาศัยในศีลบอกว่า มีความละอายไหมละอายตัวนี้นเป็นชื่อของฮิริโอดปาปะนีละอายแล้วก็กลัวละอายต่อบาปแล้วกลัวต่อธรรมลามกมีการฆ่าสัตว์เป็นต้นเป็นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ยินดีในธรรมอันงามฉะนั้นคนรักษาศีลเนี่ยโอวดหรือไม่โอวดไม่มีมารยาซื่อตรงว่าง่ายด้วยประกอบด้วยธรรมที่เป็นเหตุเป็นผู้ว่าง่ายอ่อนโยนไม่กระด้าง ไม่ดูหมิ่นท่านแล้วก็ไม่ถือเอาสิ่งของคนอื่นนะโดยที่สุดเนี่ยเส้นยาก็ไม่ถือเอาแล้วไม่ทำให้บุคคลอื่นที่ขอกู้หนี้ยืมสินจากตนเน่ผิดหวังหรือเมื่อคนอื่นลืมของไว้ในที่อยู่ของตนบอกให้เขารู้แล้วก็มอบให้โดยไม่ตกเป็นของคนอื่นไม่เป็นผู้โลภแล้วก็มีจิตที่ลามกถือเอาสิ่งของคนอื่นไม่ได้ให้เว้นเว้นจาความเสื่อมนะเสื่อมเสียเพราะ พูดจริงเป็นต้นอะเนี่ยให้สังเกตดูนะว่าในลักษณะของศีลกุศลเนี่ยนะที่ท่านทรงรักษาเนี่ยจะเป็นไปในลักษณะว่าพอท่านน้อมในเรื่องของทานเนี่ยนะจนการสละที่สุดจริงๆถ้าเป็นพระโพธิสัตว์ในท่านจะสละกายนี้เพื่ออุปการละแก่สัตว์เหล่าอื่นท่านบอกว่าวัตถุภายนอก ของท่านก็เป็นเช่นกับการอาบน้ำช้างก็บอกว่าการคล้องเนี่ยการติดข้องในวัตถุภายนอกเหมือนกับการอาบน้ำช้างการติดข้องการยึดติดเนี่ยมันไม่รู้จักพอช้างในเวลาอาบน้ำแล้วมันมันก็อยากจะอาบไปเรื่อยๆมันไม่ค่อยพอใจหรอกจากการมันชอบความเย็นมันชอบเล่นน้ำตันหาที่ไปยินดีในวัตถุภายนอกก็มากมาย ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ทำมารมทั้งหลายนั่นแหละที่ไปบัญญัติเป็นชื่อต่างๆหเหล่านี้ยไอสภาพของตัณหาที่มันอยู่ในใจสัสตว์เนี่ยมันไม่รู้จกพอหรอกมันก็ยึดติดมันก็หวงท่านจึงใช้คำบอกว่าความติดข้องเป็นไปในวัตถุภายนอกของท่านทั้งหลายนะเป็นเหมือนเช่นกันอาบน้ำช้างเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ควรให้ความติดข้องเกิดขึ้นหนะ้าที่ไหนไหน หน้าที่ไหนๆแปลว่าแปลว่าไงไม่ว่าจะความติดข้องคื อ, อยังให้โลภะมันฉาบติดเพราะธรรมชาติของความโลภเนี่ยมันยึดติดใช่ไหมมันยึบยึดติดแล้วมันสละได้ยากมันแกะออกได้ยากแล้วมันเหนียวแน่นฉะนั้นสภาพใจที่มันติดข้องเนี่ยในวัตถุต่างๆหเหล่านี้นั่นแหละมันยึดแล้วมันยึดทุกเรื่องรู้ว่าทำก็ยึดว่าทรเนียบางทีเนี่ยความติดข้องตรงเนี้เข้าไปยึด ว่าเราเป็นผู้รู้ต่าง ๆ, ๆเลยเนี่ยนะเข้านะเขาก็ยึดพอยึดติดก็กลายเป็นโทสะพอได้ไม่ได้อย่างที่ที่ตนเองหวังขึ้นมาก็ อ, าอ่อยแล้โกรธไหมเหมือนเวลาไปกล่าวพระธรรมเวลาเวลาพยายามจะกล่าวกล่าวกล่าวแนะนําเขาแนะนําเขาเขาไม่ได้อย่างใจเนี่ยโกรธเขาอย่างนั่นแหละแปลว่ายึดติดไปแล้วเนี่ยอันนี้ยึดติดไปแล้วไม่ได้คิดเลยว่าตนเองไปกล่าวในลักษณะอย่างนั้นเป็นไปกับเมตตายัางไงนะ เป็นไปกับความมีความรากักปรารถนาดีเ อ, อื้อทอนในการที่จะให้พระธรรมคําคสอนเป็นต้นเหล่านี้นะไม่ให้ความโลภเกิดขึ้นในการปรารถนาลาบหวังลาบเป็นต้นหวังเกียรติยศชื่อเสียงเนี่ยนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านต้งบอกว่าต้นไม้ที่เป็นยาเนี่ยเกิดขึ้นผู้ต้องการรากก็นํารากไปผู้ต้องการสเก็ดก็นําสเก็ดไปผู้ต้องการเปลือก ต้องการลำต้นต้องการคาคบแก่นกิ่งใบดอกแล้วก็ย่อมนำไปต้องผู้ต้องการผลก็นำผลไปต้นไม้นั้นไม่เรียกร้องไม่วิตกกังวลคนพวกนี้นำของเราไปแม้ชั้นใดเมื่อกายไม่สะอาดอยู่เป็นนิดกายนี้ไม่สะอาดนะไม่สะอาดเลยเป็นที่เป็นรังของโรคถ้ามองในชั้นของรูปประคันนะถ้ากายเนี่ยก็คือกามคุณ ถ้ามองในส่วนของเป็นการมาคุณเนี่ยท่านถึงบอกว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสด้วยนะและก็มองถึงกลุ่มนามนธรรมด้วยถ้าพูดถึงในเรื่องของการมาคุณทั้งหลายท่านพระดีกาจาร์ทั้งหลายเนี่ยนะท่านก็อุปมาไว้เยอะท่านแสดงโทษความต่ำสามของกรรมทั้งหลายเนี่ยนะประกาศโทษ ความเศร้าหมองในกามทั้งหลายโดยลักษณะต่างๆบอกว่าอุปมาเหมือนกับโครงกระดูกอย่างเงี้ยเหมือนโครงกระดูกอุปมาเหมือนกับชิ้นเนื้อเงี้ยเห็นไหยอุปมาเหมือนกับคาคบย่าอุปมาเหมือนกับหลุมทานเพลิงมันให้โทษหมดเลยเนี่ยอุปมาเหมือนกับความฝันแวบเดียวแค่นั้นเองเนไหมตื่นมาไม่มีอะไรเลย ลองมานึกๆโดูที่ในอดีตที่ผ่านๆผ่านๆมาทั้งหลายเนี่ยเหมือนเรามีเราเป็นเราได้ทั้งนั้นแหละใช่ไหมและในอนาคตเราก็ไปฝันอยู่กันเงี้ที่สุดจริงๆก็ตื่นมาก็หมดอุปมาเหมือนของยืมเข้ามาเขาทวงคืนหมดแหละอุปมาเหมือนกับต้นไม้มีผลดกอุปมาเหมือนกับเขียงสับเนื้อเขียงหันนนงห่นเนื้อเนี่ยเขียงหั่นเนื้อรองรับของมีคมเขาสับปะ อุปมาเหมือนหอกบ้างเหมือนหลาบ้างอุปมาเหมือนหัวงูอุปมาเหมือนกองไฟตรงนี้กรณีอย่างนี้ท่านจึงบอกว่ากามทั้งหลายเนี่ยนะหรือรูปประกายทั้งหลายไม่สะอาดไม่สะอาดในที่นั้นก็คือว่าเต็มไปด้วยความไม่สะอาดโดยประการและต่างๆต้องชำระขัดถูอยู่ตลอดเวลาจมอยู่ในทุกใหญ่ชาติทุกเป็นต้นนนะ่มหันภัยนัย่นเอง อันเราพูดถึงความค้นขว้าเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ประสัตว์โลกทั้งหลายประกอบการที่จะอุปการละแก่สัตว์เราอื่นไม่ควรที่จะให้มิจฉาวิตกมิจฉาวิตกในที่นั้นก็คือการมวิตกพยาบาทวิตกแล้วก็หญิงสาวิตกนั่นแหละเกิดขึ้นในใจแม้เล็กน้อยที่จะให้มันเกิดขึ้นก็ไม่ควรไม่ควรเลยถ้าเกิดการมวิตกเกิดขึ้นในการที่ไปติดข้องในวัตถุกรรมเกิดพยาบาทวิตกเกิดขึ้นในการที่จะ อึดอัดขัดเคืองไม่ได้อย่างใจคิดแล้วก็วิหิงสาวิตกก็ในการคิดจากเบียดเบียนเนี่ยนะเพราะว่าความพิเศษในธรรมเพื่อทําลายกระจัดกระจายและกําจัดโดยส่วนเดียวนะถามว่ามหาพูดทะลุภายในและภายนอกเป็นอย่างไรก็มองอย่างนี้นะว่าแท้จริงกันมาแย่งชิงมหาพูดและอุปาทะย์ลูกใช่ไหมดินน้าไฟลมสีกิรลดโอชาธาตุแต่ข้อนี้เป็นความหลงและเป็นความซบเซาอย่างเดียวเท่านั้น ฉะนั้นเราจะมายึดถือกายภายในหรือกายภายนอกเนี่ยนั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาเป็นตัวตนของเราเนี่ยไม่คํานึงในมือในเท้าเป็นต้นเราเนี่ยนะในเนื้อเป็นต้นแม้ในกายดุดสิ่งภายนอกพึงมีใจสละว่าผู้มีความต้องการสิ่งนั้นๆจงนํำไปเถิดนี่ท่านสมเนียกอันนี้แปลว่าชัดเจนจนเห็นทั้งภายในและภายนอกเป็นสิ่งที่ควรสละหมดแล้ว ถึงบอกว่าเป้าหมายจริงๆที่ท่านจะสละนี่คืออะไรเนี่ยแปลว่าท่านต้องการไม่ยึดติดแม้ในวัตถุกก่าวคือกายที่ท่านคลองไว้แต่ละภพแต่ละชาตินี่เนะนี่ยใครต้องการสิ่งใดก็จงนำไปเถอะอันนี้แปลว่าปรงใจแล้วนะสละได้จริงแนละแต่ความคิดในลักษณะอย่างนี้ต้องทาให้มีกาลังนะต้องทำให้มีกำลังทีนี้ พอจิตใจอ่อนโยนในลักษณะอย่างนั้นเบ็ดเสร็จแล้วอืนหนึ่งพระมหาบรุษสัมเนียกบอกว่าประกอบความเพียรเพื่อจะตัดสุ้ไม่คำนึงถึงกายและชีวิตแล้วกายกรรมวจีกรรมโนกรรมจึงเป็นความบริสุทธิ์โดยไม่ยากแล้วแต่นี้ยนั้นคนที่มีความสละได้ง่ายสละได้สะดวกการที่จะน้อมไปการในการที่จะทําศีลในบริบูรณ์ก็ก็สะดวกขึ้นใช่ไหมเมื่อวานก็พูดในเรื่องของการที่จะทําให้ศีลในกอดจะทานกถาเป็นต้นเหานี้ ท่านบอกว่าในชั้นของคําสอนที่ท่านใช้คําว่ า, วาทานนกกุศลเนี่ยนะทา น, นากถาหมายถึงดำํำรัสที่ก่าวคุณของทานเป็นต้นเป็นไปตามลําดับและท่านก็บอกว่าธรรมดาทานนี้เป็นหนทางที่เราได้ดําเนินมาเป็นวงของเราเราเป็ น, เ ป, นเป็นบารมีสิบประการอุปบารมีปรมัตถบารมีเป็นต้นเพราะผู้ให้ทานสามารถที่จะรักษาศีลได้ฉะนั้น พระ อ, องค์กระตัดเรื่องศีลต่อจากเรื่องทานนกุศลนะด้วยการกล่าวในย่อละเอียดธรรมดาทานเนี่ยเป็นการสละสมบัติของตนแก่บุคคลอื่นนะอัจฉยาสายมุ่งจะบำเพ็ญประโยชน์และอัตฉยาสายมุ่งจะบูชาทักขีในยบุคคลนะทีนี้ดังนั้นผู้ให้ทานจึงเป็นผู้ที่มุ่งประโยชน์แก่บุคคลอื่นนะแก่เหล่าสัตว์อื่นถึงอย่างนั้นก็จริงฐานนะผู้ให้ทานจะเบียดเบียนผู้อื่น หรือขอโมยทรัพย์สมบัติของผู้อื่นนั้นจึงเป็นไปไม่ได้เหตุนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสเรื่องศีลต่อจากทานกนะุศลผู้ให้ทานย่อมสา ม, มารถจะรักษาศีลได้และพระองค์ตรัสเรื่องทานก่อนเพราะอะไรเพราะเกี่ยวข้องกับชนเป็นส่วนใหญ่และส่วนมากทําได้ง่ายไหมบอกทําได้ง่ายทานกุศลต้องถือว่าทําได้ง่ายกว่าศีลกุศลนะโดยความเป็นอุบายและเป็นเป็นเบื้องต้นและเป็นความดํำรงมั่นในศีล อย่างนี้ท่านต้องการบอกว่าถ้าบุคคลที่ต้องการที่จะบำเพ็ญศีลกุศลนั้นให้มั่นคงนะก็ต้องเดินทาง น, นกุศลให้ชัดเจนให้แข็งแรงเมื่อทา น, นกุศลนั้นแข็งแรงชัดเจนในอารมณ์ต่างๆได้ชัดเจนดีแล้วทั้งอารมณ์6นะที่ปารลเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ทำมารมวิจัยจนขาดเลยนะบางคราวก็เอารูปเอาสีนะั่นแหละเป็นประธานเอาเสียงกลิ่นรสสัมผัสทำมารมเป็นบริวารไป อย่าง เ, เช้าเอามาก็นึกถึงอะไรก็มียาเอามาก็นึกถึงธรรมาลมตัววิตามินใช่ไหมเป็นสารที่จะไปหล่อเลี้ยงร่างกายของโรคประคันของพระเนี่ยนะเอามาเป็นประทานก็สีเสียงกลิ่นรสสัมผัสใช่ไหมมาเป็นบริวารไปแล้วก็น้อมเลย น, ะน้อมสละว่าเออเนี่ยไหมเราได้บูชาพราะรัตนตรัยแล้วบูช า, พ, าพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็คือถวายแดย่พระรัตนตรัยแล้ว อย่างเนี้นะก็น้อมไปแล้วก็ใคร่ควรพิจารณาโอ้ทําปุบพาเจตนาทั้งวันวันหนึ่งก็คือเนี่ยพยายามใคร่ควรตลอดแล้วยังไม่พอเนี่ตอนเช้ารีบไปเดินบินตบาดเลยไปบินตบาดปบปบปบแล้วตรึกไปใช่มว่าเออเราจะได้บําเพ็ญทานกุศลใช่ไหมตามอริยะวงวงของพระเจ้าและเพราะงั้นนะเออเราจะได้เดินกุศลต่อไปจะได้มีกระแสใจที่อ่อนโยนเนี่ยในการที่จะน้อมก็สู่ศีลกุศลศีลกุศลที่เป็นปฏิโบกสังวรศีล อินเรียสังวรศีลอาชีวะบริสุทธิศีลปัจจัยสนิทสุตสีนของเราจะได้บริบูรณ์จะได้อ่อนโยนจะได้ง่ายเสียจะสะดวกเห็ไหมเพราะต้องขัดขัดไปจากทานอกุศลใหจิตนี้อ่อนโยนอย่างนี้แหละเพางั้นนะรีบเดินนะครับได้ข่าวพระาต้องรีบไปแล้วนึกใ น, ใน่ได้โอ้โหจะต้องทันให้ได้เนี่ยออกชา้าๆนึกไปไปกลับมาอทันจริงๆด้วยเห็นไหมได้โอ้เ็กมาโอ้ดีใจเลย มันยาดีใจแบบโลภะต้องสังเกตใจด้วยนะี่ดีใจเบสเซ็ตกับน้อมเลยอย่างนี้นะก็ได้บําเพียนกุศล น, นี่เขาเรียกว่าอาบเงือต่างน้ำเหมือนกันนะเนี่ยหามาด้วยลาแข้ง ใ, <laughs> ใช่ไหมใช่ไหอาบมาด้วยเรียวแรงเลยนะใช่ไหมเออบอนท่านอาจารย์ฮะ ถ้าก่อนที่เราจะขึ้นศินคุสนเนี่ย <c oughs> จะหนึ่งใช้วิธีสรุปทานกุศลอีกครั้งหนึ่งหรือว่าจะใช้วิธีที่ว่าญาติโยมทั้งหลายฟังแล้วมีข้อใดที่ยังไม่ชัดเจนในเรื่องทานกุศล <c oughs> ใช้ยนะะั้คืให้ญาติโยมถาม <c oughs> นะค ะ, ะในในข้อที่ว่าตัวเองเข้าใจทานกุศลถูกต้องไหม <c oughs> และ ว, วิธีจะสร้างให้เกิดสร้างให้มีขึ้นเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็ สิ่งที่จะทําให้ทานกุศลบริบูรณ์ได้ด้วยประการใดเจ้าค่ะตรงนี้ก็คือว่าทีนี้เวลีเดินทานกุศลใช่ไหมทานไม้ก็คือชาวนาจิตที่เกิดขึ้นที่ชาวนาจิตเกิดจากการให้ทานใช่ไหมถ้าศีลไม้ก็คือชาวนาจิตที่เกิดขึ้นจากการรักษาศีลภาวนาไม้ก็คือชาวนาจิตที่เกิดขึ้นจากการเจริญอบรมจิตลึกเจริญภาวนาตอนนี้เรากําลังขับเน้นว่า เพื่อจะทำให้กุศลจิตเกิดขึ้นในการปารลทางในกุศลทีนี้ครั้งก่อนพูดในเรื่องของทานกายกรรมที่เป็นทานกุศลวิจีกรรมที่เป็นทานกุศลแล้วก็มโนกรรมที่เป็นทานในกุศลต้าบอกว่าในขณะที่ปารลบในการที่เดินไปเพื่อสแสวงหาอาหารนะสแสวงหาอาหารสแสวงครับ แสวงหาสิ่งของที่จะเอามาเจริญทานกุศลตรงนั้นจะปลาลบกายกรรมวจีกรรมหรือมนโนกรรมเจ้ากายกรรมเป็นทานดีหรือว่ามนโนกรรมหรือวิจิกรรมเป็นทานกุศลหรือมนโนกรรมเป็นทานกุศลน่าดรไม่สมมุติว่าเราเดินไปตลาดใช่ไหม <c oughs> นั่งรถไปตลาดอะไรก็แล้วแต่ที่จะไปปลาลอบหผาผักขาหญ้าต่างๆมา <c oughs> <c oughs> ลองรถปุ๊บเราก็เดินไปแล้วใช่ไหม เป็นปุพหะเจตนาไหมก่อนที่จะไหมอย่างนี้เป็นปุพหะเจตนาหมดเลยนะปุพหะเจตนาไม้มเจตนาก่อนจะกระทำใช่ไหมในปุพหะเจตนา น, นับชาวนะทั้งเจ็ดนะชาวนะดวงที่หนึ่งถึงเจ็ดเลยหมดเลยใช่ไหมเป็นมนุษย์เทวานุวิธิในชาวนาจิตในนีนะ้ที่เกิดขึ้นปาลบเนี่ย <c oughs> ทีนี้ในการอาธิาอบายลบเบ็ดเสร็จไปเนะี่ยเป็นกุศลรกรรมนะเป็นชาวนานะเนียถามว่า การปรุงแต่งเพื่อจะทำให้ชาวนาจิตเกิดขึ้นในการปารลบทานนากุสนเนี่ยเพราะทานกุศลว่าอะไรที่อะถามเยอะอย่างพวกเราเนี่ยทานนาุสลเนี่ยเดินทุกวันไหมทุกวันไหมทุกวันย่อมีการเดินทุกวันเอ๊ะนาจะลองบอกวิธีเดินสักห